สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ครบรคะ่ะรายการสันนิษฐานนะคะ ส, สันนหน้านพง์ดำเนินรายการทางสถานี u t u b e ครอบครัวข่าว f m 1เ6รเราก็มาพร้อมๆกับที่ท่านได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำกิจกรรมของท่านในแต่ละวันแต่ละวันกันวันนี้พิเศษอีกแล้วเมืองไทยต้องบอกพิเศษบ่อยนะคะสำหรับการที่มีวันพิเศษทำให้เราได้หยุดพักการทางานโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานวันนี้เป็นวันแรงงาน 1. พฤษภาคมค่ะเห็นว่ามีการหยุดยาวต่อเนื่องกันแถมเพื่อที่จะให้ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีเม็ดเงินเข้ามาจากการยากักย้ายถ่ายเทปไปเที่ยวโนู่นไปเที่ยวนี่ของพวกเรากันด้วยนะคะเดินทางไปไหนขอให้ใช้สติเป็นหลักก็แล้วกันแต่สำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ดิฉันก็จะนาท่านไปกราบน้องสการ์รมมหาภัยบณ์อภิปุโนพระสงค์ที่ ศึกษาคําสอนของพระาศาสดา พ, พร้อมทั้งการปฏิบัติควบคู่กันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เผื่อแผ่ด้วยการสอนให้ท่านที่มีเวลาไปเข้าคอร์สอย่างเป็นระบบระเบียบกันอยู่ที่วัดของท่านคือวัดป่าดอนหายโศน้องหารอุดรธา น, นีกันเป็นทางการในทุกๆเดือนเดือนละเฉลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะกลับนมันสิ ก, การค่ะท่านคะเชิญบ้านค่ะขณะนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ท่าน ได้หยุดวันแรงงานเหรอคะพระนี่ไม่ได้หยุดเลยเสาที่ก็ไม่ได้หยุดวันพระก็ไม่ได้หยุดค่ะ <c oughs> แล้วมีคอสไหมคะวันนี้อหมดวันที่สามในช่วงนี้ก็มีคอสอยู่จบวันที่สามสามพฤษภาคมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเราก็ต้องจัดให้อยู่ในให้มีคอสมากหน่อยเพื่อว่านักเรียนบ้างคุณครูบ้างที่เขาหยุดได้เฉพาะช่วงปิดเทอมเนี่ยได้มาเรีกนั้นปฏิบัติธรรมกันได้ทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องอากาศร้อนนะคะ โวงดีหน่อยที่บริเวณวัดนี่ก็ยังมีฝนตกอฝนตกก็ทําให้เย็นขึ้นดี<อ>แต่ดิฉันว่าอาจจะเป็นความสมดุลของธรรมชาติในที่ที่ไม่วิกฤตจนเกินไปว่าพอร้อน จ, จัดๆในส่วนใหญ่จะมีฝนใน บ, บ้านเราเนี่ยน ะ, ะเอียงอย่างร้อนได้สักวันหนึ่งหรือวันครึ่งอ่ะอย่างมากพอตกเย็นของวันถัดไปก็จะเริ่มมีพายุหรือฝนอะไรเงี้ยมาล่ะค่ะคือดิฉันสังเกตอย่างที่บ้านตัวเองเนี่ย ถ้าฤ ด, ดูร้อนวันทีถ้าเราปิดหน้าต่างอยู่หรือบางทีไม่ได้ปิดมันก็อบอ้าวแต่บางเวลานะคะหูร้อนจะจัดเลยไปเปิดหน้าต่างให้ครบทุกบานซ้ายขวาเข้ามาได้ตัววันออกตะวันตกเข้ามาได้อย่างเงี้ยนะคะลมจะดียิ่งกว่าการอยู่ในแอร์หรือว่าในพัดลมได้ซ้ำค น, น, นสมัยใหม่บางทีไม่เข้าใจนะคะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสอยู่ในสถานที่ที่ลมพัดถ่ายเทได้ใช่ใช ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสลมธรรมชาติสบายๆเช่นนี้อืค่ะวันแรงงานก็มีเรื่องการาบนมัสการถามท่านเกี่ยวกับอการทํางานหนะนักเดือนวันวันนี้วันพักทํางานแต่เราถามเรื่องการทํางานหนะักออืค่ะรู้สึกว่าคนที่เขาถามท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องว่าตัวเองไม่รู้ว่าความพอดีอะของการทํทา ง, ททงานาใช่ไหมครับ อยู่แค่ไหนอย่างไรคะ่ะอื ม, อมอหมายความว่าถ้าผมว่าเราทํางานหนักเกินไปเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ตอนนี้เราทํางานหนักแล้วหรือบางงานบางประเภทเนี่ยเฮ้ยฉันทําน้อยไปหรือเปล่ามันคุ้มเงินเดินเข้าไหมหรือว่าทําน้อยไปมันก็กลายเป็นขี้เกียจนะเราจะดูพิจารณาได้อย่างไรตรงนี้ใช่ค่ะคือดิฉันกล่าวเรียนท่านอย่างนี้ว่าจากการที่เราก็เคยเป็นคนทํางานมากๆม า, ก, มา ก, ก่อน น, น, นะคะก็จะเห็นวิธีการทํางานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน<ช>คนบางคนงานเยอะเชื่อ แต่สามารถเคลียร์งานได้ เ, เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็ไปมีความสุขกับการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วแต่บางคนเนี่ยเลิกงานแล้วนะคะเขาก็ดูเหมือนก็เป็นคนขยันคือจะแบกงานกลับมาทำที่บ้านอีกทำบนเตียงเลยนะคะจนกระทั่งหมดเวลาหมดเรียวหมดแรงแล้วลตื่นเช้ามาก็รีบทำงานกันใหม่มก็น่าจะเป็นประเภทเนี้ยไม่รู้ว่าตรงไหนถึงจะพอดีพอผสมเราจะดูได้ไง างานต้องมี2ประเภทก่อนเนะี่ยบุรุษาิแบ่งงานไปสอประเภทคืองานประเภทแรกเนี่ยคือสำหรับเครหัดเนะีที่ต้องมีความขยันใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในการที่จะหาทรัพย์สมบัติให้ได้อันนี้หามาเพื่อที่จะได้ปัจจัย4ี่ต่างๆอันนี้คืองานอย่างที่คุณโยมติวพูดถึงนะนีที่เป็นงานประเภทที่1เป็นความเพียรที่ทําได้ยากเป็นความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานนะก็ว่าเป็นหลักเป็นประธานเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาศัยมันได้นะีอันนี้คือข้อที่1 ข้ทอทคือความเพียรสําหรับพระภิกษุในหรือบรรพชิตเพียรเพื่อที่จะลดลานเลิกกิเลสอันนี้คือมีความพยายามการทํางานอยู่2ประเภทเอาเรามาพูดถึงประเภทแรกก่อนสําหรับฆราวาสที่ว่าต้องใช้ความเพียรเพื่อที่จะหาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆใช่ไหมทีนี้ความเพียรตรงนี้เนี่ยทำในอาชีพต่างๆพระประชาบอกอย่างนี้บอกว่าเอาคุณใช้ความเพียรนะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในการทําความเพียรนะอุทานสัมปทา นี่จะเป็นความสุขชนิดอันแรกที่คุณจะได้เลยนะคุณขยันในหน้าที่การงานบทพยัญชนะที่พระพุทธเาบอกก็คือว่าเอาหาโพกษะนะด้วยความเพียนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อนะตัวชุ่มด้วยเหงื่อด้วยนะก็คือว่าขยันมากเลยนะทํางานอย่างชนิดหามรุ่งหามค่ำแตนะ่ที่การทํางานอย่างหามรุ่งหามค่ํำนะมันดูยังไงว่ามันเกินไปแล้ว หรือว่าน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปเอาตรงมากเกินไปก่อนค่ะคือพระพุทธเจ้าจะไม่ได้วัดที่ว่ า, าหน่วยว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะบางคนเนี่ยก็สามารถมันจําเป็นอ่ะก็ต้องทํางานมากก็ธรรมดาถ่กไหมอันนี้เป็นความเพียรที่ใช้เป็นหลักเป็นประธานได้มันคือหมายว่าเป็นสิ่งที่ดีแตนะการทําความเพียรทําไมจะไม่ดีดีจะตายแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเราจะดูยังไงไม่ได้นับจํานวนชั่วโมงแต่นับตรงที่ว่าถ้าเริ่มมีความเครียดนะถ้าเริ่มมีนิวรณ ถ้าเริ่มทําให้จิตมันออกนอกสมดุลถ้าเริ่มมีการด่ากันว่ากันนะอันนี้ไม่ดีล่ะค่ะนะถ้าเริ่มไปเข้าไปในดินแดนที่เป็นอกุศลน่นะแสดงว่ากําลังของจิตคุณเนี่ยที่ว่าพุ่งไปทําไปเนี่ยมันล้าหน้ากําลังของสติแล้วสติคุณไม่อยู่มันจะไม่ดีนะการไปสู่ดินแดนที่มีความเพียรมากเกินไปโดยไม่มีสติตรงนั้นนั่นคือคือการทํางานหนักเกินไปค่ะนะแทนที่มันจะมีประโยชน์แต่มันกลับจะเป็นโทษ เดี๋ยวยิ่งโรคที่เกิดจากความเครียดทั้งหลายแหล่เมืม่อจอความดันมาเร็งหลอดเลือดโอ้ยจีบะตะนะ น, นี่ <Okay. S 1> เราจะตามมาก่อนอันนี้ที่เห็นผลได้ก่อ น, นแล้วคนรอบข้างก็จะมีปัญหาอีกอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องถ้ากําลังจิตมากถ้าคนที่กําลังจิตสูงยิ่งทํางานได้มากได้หลายชั่วโมงอันนี้แน่นอนเพราะว่ากําลังจิตกําลังสติก็มีเพราะฉะนั้นมันจึงจะวัดที่จำนวนชั่วโมงเนี่ยมันแล้วแต่คนอนะอย่างที่คุณยมติว่า อันนี้คือคือส่วนที่1แล้วในส่วนที่2อนี่ว่าทำงานน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ดูที่ว่าน้อยเกินไปแล้วมันจะเป็นที่ตั้งขงความเกียดครานนะเช่นว่าแทนที่จิตเราจะเหมือนกับอาชานานอะความเป็นม้าอาชัย น, ยนยี่เขาจิตเขาจะพุ่งไปตรงจุดที่ว่าวันนี้เจ้านายจะฝึกอะไรวันนี้เราจะตอบสนองยังไงแต่คนที่เป็นม้ากระจอกเนี่ยจิตของ คนที่ไม่ใช่อาชาย น, นี่จะปุ้งแต่ว่าวันนี้จะได้เงินเดือนเท่าไรเขาจะเอาอะไรมาเลี้ยงเรานะจะโบนัสเมื่อไหร่จะวันหยุดเมื่อไหร่จิตอย่างนี้ไม่ดีแต่แนะสดงว่าคุณทํางานน้อยเกินไปเนะต้องทํางานให้มันมากๆหน่อยถ้าจิตแบบนี้เอาใจไปใส่ที่งานนะไม่ใช่มาใส่ที่โบนัสไม่ใช่มาใส่ที่เงินเดือนไม่ใช่มาใส่ที่วันหยุดนะอันนี้คือคือส่วนที่สองอันนี้คือข้อที่2ในส่วนที่หนึ่งทีนี้ในเรืร่องของการทําความ ความงานของของบรรพชิตแต่ถ้าเราจะพูดถึงว่า้ ง, งานเราเราอยู่ในปัจจุบันน่ยคือเราอยู่เป็นคาราว่าใช่ไหมมันก็มีความสุขที่เราจะต้องได้ในปัจจุบันจากการที่เรามีความเพียรนะตั้งไว้ในฐานะซึ่งความเพียรนี่คือก็ออแรกนะ <c oughs> เราก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทําให้มีความสุขในเวลาต่อไปปฏิบัติธรรมนี้หมายถึงว่าทําตอนนี้นะ <c oughs> ปฏิบัติธรรมตอนนี้ถ้าในกรณีของเวลาที่ถ้าเรามานั่งสมาธิ นะคนที่มีการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างมานั่งปฏิบัติที่วัดปา่าดอนนายโศกอย่างเงี้ยเอ๊ะเราเรานั่งเฉยๆนะหลับตาดูหนังตาเอ๊ะเราทําความเพียรมากไปไหมหรือเราทําความเพียร น, น้อยเกินไปอันนี้อาจามากาลังพูดถึงทางธรรมะแล้วนะแต่ว่าคุณมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบแล้วมันมากไปหรือมันน้อยไปราจุดูที่ไหนพระปริชาบอกว่าคนที่ทําความเพียรในที่พูดถึงการกระทําเพื่อที่จะ เ, เป็นธรรมะนะไม่ได้หาอาชีพนะ คนที่ทำความเพียนมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านจิตจะเป็นไปในเพื่อความฟุง้งซ่านอันนี้ได้บอกกับท่านพระโสณะเอาไว้แท่านพระโสนะเนี่ยเดินจงกรมมากเสียจนเท้าแตก่นจนกระทั่งลานเดินจงกรมของท่านเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ค้าโคแล้วก็เลยท้อแท้แล้วว่าจะทำไมต้องทํากินขนาดนี้ก็ยังไม่บรรลุพระพุทธเจ้าก็เลยมาเตือนสติว่าการทําความเพียนที่มากเกินไปเนี่ยถือว่าเจะทําให้จิตฟุง้งซ่าน ดูยังไงว่ามันมากเกินไปนะี <Okay. S 1> ก็คือว่าจิตมันเริ่มไปคิดเรื่องนอกแนวบ้าบอไปแล้วเนะีตรงนั้นคือฟุ้งซ่านไปแล้วนะีเก <Okay. S 1> ือที่เกินไปเนี่ยคือความอยากมันเกินกําลังของสติอีกเหมือนกันเนะีเราอยากได้เราอยากเป็นเราอยากมีเราอยากบรรลุนะีอยากวางให้ได้อยากอยากอยากมากแล้วความอยากมันเกินกําลังสติสติกุมไม่อยู่เนะี่มันเลยเป็นความฟุ้งซ่านเลยเป็นความบ้าบอขึ้นมาอันนี้เกินไปเกินไปนีต้องระวังระงับระงับความอยากสัหน่อยนะค่ะ okay. แตนี้ใ น, ใน <im nous> ทางน้อยเกินไปแในทางน้อยเกินไปก็คือว่าจิตนั้นจะเป็นไปเพื่อความเกียดคร้านแต่ถ้าความเพียร น, น้อยเกินไปแต่ความเพียรเนี่ยเราต้องเข้าใจบทเพี่ยนชนะตรงนี้ด้วยคือหมายถึงการทําจริงในา ก, การทําจริงแน่วแน่จริงถ้าคุณทําจริงมากเกินไปแตอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าทําจริงไม่ทําจริงเลยทําหย่อม ย, ย่อมแยะอันนั้นก็ไม่ได้แต่เราต้องต้องมีการทําจริงอันนี้ความเพียรต้องมีนะคือถ้าเราจะพูดถึงว่าความเพียรน้อยเกินไปแล้ว งั้นไม่ทําความเพียรอันนี้พูดไม่ถูกไม่ใช่แต่ความเพียรยังไงก็ต้องส่งไว้แล้วเรากำลังพูดถึงการทําจริงแน่แน่แนจริงคุณต้องเป็นคนทําจริงอะ่ะนแต่ถ้าทําจริงมากเกินไปนั่นคือความอยากมันเกินกําลังสติมันไม่ดีถ้าทําจริงน้อยเกินไปนั่นก็คือย่อหย่อนละมันกลายเป็นขี้เกียจมันทําเป็นเหยาะแย่ยยยไปค่ะก็เท่ากับว่าท่านเลยพูดให้ความรู้ทั้งสองกรณีเลยของการทํางาน อ่าที่ว่ามีงานทางโลกกับทางธรรมถ้าที่ฉันจะขอสรุปด้วยถ้อยคําง่ายๆอย่างนี้ใช่ใช่นะคะอะแล้วก็ท่านก็อธิบายว่ามากไปน้อยไปในความหมายของงานแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้ท่านอธิบายงานของทางโลกท่านก็ใช้ธรรมะเข้าไปอธิบายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นบางจุดท่านบอกว่าองานในการทํามหากินท่านเรียกว่าความเพียร ที่เป็นหลักเป็นประธานใช่พระพุทธเจ้าใช้คานี้ค่ะความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานแมฟังไพเรจะนะ์เป็นหลักเป็นประธานทำให้เรามีกินมีใช้ใช่มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอุ ธ, ธานะสะัมปทาคือเออเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความเพียรค่ะตั้งอยู่ในความเพียรใช่ดิฉัน อ, อยากจะฟังพุทธพจน์ไพเราะอีกสักครั้งหนึ่งที่ ได้พูดถึงการหาโพทซัพย์ด้วยความเพียนตัวชุ่มด้วยเหงื่อนีคะอันนี้ก็คือการการตั้งอยู่ในความเพี้ยนบทเปียนชนะที่พระบรมเจ้าใช่ก็คือว่าหาโพกซัพย์ด้วยความเพี้ยนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมรวมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเป็นโกพกซับที่ได้มาโดยธรรมนี่คือบทเปียนชนะที่พระบรมเชษฐาบ่าเพราะฉะนั้นการทํางานหนักดีแน่นอนดีแน่นอนห น, <c oughs> หนักแต่ถ้ามันเกินไปเราจะดูจากอะไร ก็ดูจากนิวรณดูจากความเครียดที่มันเกิดขึ้นนั่นไม่ดีค่ะคือดิฉันที่ถามพุทธพจน์นี้ซ้าเนี่ยนะคะเพราะดิฉันก็อยากจะให้ธรรมะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่เป็นคนท ร, รมาหากินแล้วก็มีความตั้งใจดีที่จะทำงานหนักเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าทำตามพุทธพจน์เนี่ยท่านบอกว่าให้หาโพคซั์เป็นด้วยความเพียร เป็นเครื่องลุกขึ้นใหญทำอยู่น่ะถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องมาดูด้วยว่าเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมด้วยกำลังแขนอ่าชุ่มีตั ว, ตวชุมวช่มด้วยเงืออันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าต้องชุ่มด้วยเหงื่อทุกคนบางคนบอกว่าทํางานสบายมากเลยเหงื่อไม่เคยออกแต่ทํางานหนักมากเลยมันเครียดที่สมองสมมตินะคะไม่จริงน ห, นหรอกเดียวติ๋วค่ะอย่างสมัยอะไรมาเมื่อก่อนก็ทํางานออฟฟิศใช่ป่ะค่ะไอตอนทํางานออฟฟิศไม่ใช่ว่าเหงื่อไม่ออกนะบางทีลัก็แล้ัยเปียก เวลาเราไปประชุมอย่างเงี้ยหลังเปียกแล้วแผลเปียกมันมันก็เหงื่อแตกอะ่ะ <c oughs> หรือต้องไปกินข้าวข้างนอกเดินไปแดดร้อนเราก็ต้องเปียกอะ่ะเพราะว่าก็ต้องอดทนทำงานไป <c oughs> มันมีจังหวะที่มันจะต้องเหงื่อแตกนะท่านก็เลยบอกว่าต้องอให้งานออฟฟิศมันก็มีนะคะอ่ากับอีกอประโยคนหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นโพวกขัย์ ที่หามาได้โดยทำได้มาโดยตามใช่คะก็เท่ากับว่างานที่เราทำเนี่ยต้องเป็นงานที่สุจริตสุจริต อ, อหนึ่งไม่มีการพูดล่อราบด้วยราบไม่มีการเอาของมีค่าน้อยต่อขอมีค่ามากไม่มีการพูดโกหกเนีไม่มีการพูดที่หลอกลวงนี่คือเป็นสมาชีวะาหละนะคะคือถ้าทำได้แบบนั้นงานที่ว่าเนี่ยก็จะทำให้อ่าประสบความสมเร็จอย่างไม่มีพิษภัยติดตามมาถูกต้อง นี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความสุดที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันของคนที่ทําข้อนี้ได้ใช่ค่ะ <först. S 3> ที่นี่ก็บอกว่าจะดูว่ามากเกินไปท่านดูจากความเครียดถูกต้องอคือถ้าทําแล้วความเครียดปรากฏนี่ให้สนันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าท่านทํามากเกินไปหรือเปล่าถูกต้องมากเกินกําลังสติมากเกินกําลังอ๋อไม่ใช่มากธรรมดาฮะมากเกินกําลังสติถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเงินฉันก็ต้องก็ต้องหาใช่ไหมค่ะแล้วชั้นก็ต้องทํางานให้มันหนักอ่ะทีนี้ปรากฏว่าเครียด อแสดงว่าเราเราทํางานเกินเกินกําลังที่เราจะต้องกินใช่ไหมงั้นคุณจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองออถ้าไม่เพิ่มประสิทธิภาพตัวเอ ง, งก็กินให้มันน้อยลงก็ใช้เงินให้มันน้อยลงค่ะวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองหลักๆเลยต้องมีสติแน่นอนอันนี้อย่างหน่งค่ะงั้นเท่ากับว่าถ้าเกิดพบว่าตัวเองทํางานแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันเครียดมันปวดหัวมันมีอาการโนู่นนี่นี่นั่นออนอกเหนือจากที่จะไปเลดช่วงทํางาน ทางทางโลกบางทีบางคนก็เชื่อหมอมากกว่านะคะก็ะไปหาหมอก่อนแล้วก็ยังไม่หายเนี่ยต้องมาฝึกสติถูกไหมคะหมอก็จะรับกับงานหนักนั้นหมอก็จะให้ยาคลายเครียดอะไรเงี้ยนะก็ก็สตินี่แหละเป็นยาคลายเครียดอย่างถูก<ม>ต้องเลยถูกโดสด้วยนะคะ<ม>อใครที่ทํางานหนักๆมากๆลองอฟังกันต่อไปนะคะว่าเรื่องของสตินี่เป็นยังไงทีนี้ท่านบอกว่าถ้ามากเกินไปจนเครียดนี่เท่ากับว่านี่นี่วนเกิด ตัวตอนความเครียดนี้เป็นลักษณะของนิวรเป็นเครื่องกลางกันมันจะคอยปิดบังให้เราแล้วลองคิดดูนะสมมุติเราทํางานในสมาวที่เครียดเนี่ยน ะ, ะประสิทธิภาพการทางานก็จะไม่ดีการตัดสินใจก็จะไม่รอบขอบผลที่เกิดขึ้นก็จะไม่ดีเท่าตอนที่เราแบบทำสบายสบายค่ะอืจิตเริ่มไม่สมดุลอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันนิวรณ์ไหมคะถูกต้ตองถูกต้ตองนะคะคืออตรงตรงนี้ต้องย้ำยัยนิดหนึ่งออคือหมายความว่าบางทีบางคนเนี่ย ชอบทำงานภายใต้ความกดดันนะชอบทำงานภายใต้ความกดดันเช่นมีเดดไลน์ที่จำกัดนะมีงบประมาณที่จำกัดอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่บางที่มันค่อนข้างตึงเครียดนะอันนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเครียดไปตามเขานะสมมติว่ามีเดทไลน์จำกัดคุณเวลาสามชั่วโมงต้องทำงานนี้ให้เสร็จนะถ้าทำด้วยจิตที่เครียดเนี่ยมันยิ่งออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้น ค, คนที่ทำงานดีภายใต้ใตข้อจำกัดต่างๆเนี่ยยิ่งจิตต้องมีสมาธิ ต้องมีกำลังแบบมีประสิทธิภาพมากทีเดียวค่ะมันถึงจะดีะเพราะฉะนั้นพอพอเงื่อนไขมันมีความจํากัดมากเนี่ยจิตเราต้องแน่โหแน่มากเลยอันนี้คือ ค, คนที่เขาทํางานอย่างนี้ได้เนี่ยคือไม่คือทํางานภายใต้สภาวะที่มีข้อจํากัดมีความเครียดมีเพลชเชอร์เนี่ยเขาทําได้ดีก็เพราะว่าจิตเขามีกําลังไม่ใช่ว่าเขาเครียดนะเขาถึงทำได้ไม่ใช่เงื่อนอย่างนั้นก็คิดว่าคนที่ทํางานใหญ่ๆนี่สงสัย ถ้าเราไปตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้เราจะพบว่าเป็นผู้ที่ถึงแม้จะไม่ได้ปฏิบททัติธรรมก็จะมีความสามารถในการมีสติตั้งมั่นได้ถูกต้องความตั้งมั่นได้เหมือนอย่างนั้นใช่ใช่ค่ ะ, ะดิฉันเห็นอีกประโยชน์หนึ่งที่ท่านบอกว่าจะพิจารณาว่าทํางานมากเกินไปหรือเปล่าก็ดูว่าจิตของเราในเริ่มเข้าแดนอกุศลแล้วหรือยัง <c oughs> แปลว่าทไาไปด่าไป <c oughs> ใช่ไ <c oughs> คือแบบด่ากราดหมดอะมันมันไม่ถูกแล้วล่ะค่ะก็ต้องระวางตรงนี้คือมันเป็นมิจฉาวรรจาที่เอาถ้าเราทํางานหนักแล้วเราจะเอาอคุศสมามันไม่คุ้มกันนะค่ะอืมนะคะก็ต้องไปอยู่ที่ว่าต้องทําให้เรามีกําลังในเรื่องของสติส่วนน้อยไปเป็นที่ตั้งแห่งความเกียดคร้านใช่เอน้อยไปตรงนี้จะเข้าลักษณะนี้มากกว่าไหมคุณหยมตี้วที่ว่าบางคนเบื่องงานที่ตัวเองทําขี้เกียจทําเช้าชามเย็นชาม อ่แบบว่าออต้องงานรูทีนอะไรเงี้ยมันเซ็งอ่ะ่าค่ะดิฉันเข้าใจออว่ามัม น, มนมันมันมีเหตุปัจจัยนะคะไอ้ความขี้เกียจสมมุติเป็นขี้เกียจตรงตัวเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจง่ายเป็นคนไม่ขยันอะ่ะบางทีสารเคมีในร่างกายอาจจะไม่สมดุลก็ได้นะคะก็ <c oughs> ะเลยค่อยจะแอคทีฟบางคนเนี่ยเงินเดือนไม่ได้น้อยนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นแต่ดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันเพียงพอสัทีอะืมสม ม, มุติว่าเราไปดูบริษัทอื่นคนทํางานเหมือนกับเราเนี่ย โวยสภาพงานโหดกว่าเราเยอะแยะเลยได้เงินเดือนน้อยกว่าเราอีกแต่เขาไม่เห็นบทไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นเป็นเรื่องเป็นเป็นคนคนมันงคทั้งคะเป็นคนคนไปใช่ใช่คือคือถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ไงสําหรับคน <c oughs> ที่ที่รู้สึกว่าเบื่องงานสั่งตายสันก็เลยขี้เกียจอย่างเงี้ยมันไม่มีคุณค่าอะไรในงานอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เห็นความสําคัญของงานอย่างเงี้ย น, นะ <c oughs> อันนี้คือเราต้องเปลี่ยนทัศนคติ อันนี้ค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างตัวเองนะค ะ, uh huh. ะเพื่อสมัยยังอายุไม่มากแล้วก็มีการเปลี่ยนงาน uh huh. เปลี่ยนจากงานที่เป็นบุคคลสาธรารณะทางทีวีคือเมื่อก่อนเป็นผู้ประกา ศ, เ ป, ปกาศเป็นพิธีกร uh huh. เป็นอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็มาทํางานการเมือง uh huh. ทันทีที่เข้าไปเป็นสอสอเนี่ยดิฉันมีความทุกข์ที่สุดในโลกไม่รู้จะพูดว่ามีความทุกข์ยังไงดี ทั้งทั้งที่คนเขาก็ชื่นชมเขารู้สึกว่าแหมอย่างโน้อนอย่างนี้นะคะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าแทบทุกแผนกอืคือมันก็ว่าเดี๋ยวก็ไปตรวจไปโรคนั้นเป็นโรคนี้มีความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเคยไปทําฟันนะคะท่านคะในเวลาเดียวกันคุณหมอก็ขุดคลองรากฟันเอมีอยู่วันหนึ่งในระหว่างกระบวนการทําซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันดิฉันเกิดปวดบริเวณนั้นเนี่ยปวดชนิดที่ว่า คุณหมอจะต้องเอายาแก้ปวดอย่างหนักชนิดที่เขาให้กับคนที่ปวดเหมือนกับเป็นโมมรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะอื hmm. ดิฉันก็รู้สึกเอ๊ะเราเหมือนเป็นอะไรอื hmm. จนวันหนึ่งที่โรงพยาบาลแห่งนั้นที่ส่งดิฉันไปแผานกต่างต่าตัวดิฉันเป็นจ้ำจ้ำท่านก็ส่งไปที่แผานกอ่าทางด้านคุยทางเหมือนกับทางจิตใจเลยนะคะอ oh. ปรากฏว่าดิฉันไม่ได้เป็นอะไรละมีความทุกข์มีความกังวลเอ่า และโชคดีขับรถอยู่เนี่ยคะ่ะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะคะหลังจากที่เริ่มรู้แล้วเราไม่ได้เป็นโรคอะไรนะพระรู้สึกที่เป็นท่านเจ้าคุณตัญญาณันทะตอนนั้นชละประทานที่ท่านภาพไปแล้วตอนนั้นท่านยังมีชีวิตท่านก็แสดงธรรมในทรรนองที่ว่าคนเราทํางานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ายิ่งถ้าเปลี่ยน ง, งานเนี่ยจะยิ่งมีปัญหาการปรับตัวปรับใจท่านบอกว่า เราต้องตั้งวางจิตให้ถูกว่าเราเนี่ยเข้าใจงานทำงานให้เต็มที่เท่าที่สติปัญญาของเราทำได้ทำให้ดีที่สุดแล้วผลออกมาอย่างไรก็ให้รับตรงนั้นนะคะคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเน่ะเป็นธรรมะตรงไหนอย่างไรแต่รู้สึกว่าเออก็ดีเนาะเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะทำได้ทำไม่ได้อย่างไรแต่เราพยายามศึกษางานให้มากที่สุด แล้วก็ทำให้เต็มที่เท่าที่กำลังกายและกำลังสติปัญญาของเราจะทำได้ใช่ใชนับตั้งแต่เข้าใจดิชันหายเลยนะคะแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขเรื่อยมาค่ะอ๋อดีเนาะค่ะมัน เ, <อ>เป็นเข้ากับธรรมะที่ท่านกำลังให้อย่างไรไหมคะเออนี่คือตรงส่วนที่ว่าถ้าเราทำงานเครียดเกินไปในะ ค, ความเครียดเกินไปนี่คือขาที่แบบมันมากเกินไปละความเพียรมันมากเกินกาลังสติทาให้ความเครียดเกิดขึ้น นะ <Okay. S 2> ลักษณะที่ให้เราตั้งสติขึ้นเห็นแต่ว่าเราทําเต็มที่แล้วก็คือตรงนี้คือความดีแล้วนะผลเป็นยังไงก็เรื่องของมันอันนี้เราตั้งใจไว้อย่างนี้นี่คือลักษณะที่ขาที่มันเครียดเกินไปทีนี้ในความเบื่อความเซ็งในงานทำให้เราขี้เกียจอันนี้ <Okay. S 2> จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะสุดตรงอีกด้านหนึ่ง <Okay. S 2> นะคนที่แบบเช้าชามเย็นชามสังกตายนะคิดว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานสักทีจะได้โบนสัสกี่เดือนมันอยู่จะมาเมื่ อ, อไหร่ นะพอวันสุกก็ดีใจวันจใ์ก็เซ็งอย่างเงี้ยนะ ค, คือคนแบบนี้เขาต้องเปลี่ยนทนัศนคติอีกแบบหนึ่งในะอีกแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราทํางานสังกตาอย่างเงี้ยจิตเรามีอกุศลตลอดจิตก็จะถูกกลุ่มๆอยู่ด้วยความเศร้าหมองกลุ่มๆอยู่ด้วยเห็นแต่เรื่องของกามกลุ่มๆอยู่ด้วยของความที่ไม่ร่วมมือนะคือจิตมันไม่คมจิตมันไม่เป็นความอาชาในนะคุณจะมีสิ่งที่เป็น เครื่องกัดขวางอยู่ตลอดอันนี้เป็นนิวรณ์ละนิวรในขาที่ขาอีกข้างหนึ่งสุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่ทีนี้วิธีการที่เราจะพิจรารณาแต่สมบัตที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าในงานใดสัก ง, งานหนึ่งที่มันเหมือนจะน่าเบื่อก็ตามะแต่ถ้าเราใส่การทําของเราให้ไปเต็มที่เช่นเอาง่ายๆเช่นรอยยิ้ม เ, เราใส่เข้าไปเราใส่รอยยิ้มไปในงานแล้วเราใส่ความใส่เมตตาลงไปในงานเราใส่ความกรุณาลงไปในงาน นะใส่ไปในงานตรงนี้งานนั้นเราดีแน่นอนต่อให้มันจะน่าเบื่อขนาดไหนก็ตามต่อให้มันจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครอะไรก็ตามแต่เราใส่เมตตาลงไปเราใส่ความวิทยาลงไปเราใส่ความเอาใจใส่ลงไปแต่เราใส่ความกู้เกื้อนลงไปงานนั้นดีแน่นอนแตนะ่ตรงนี้จะเป็นกุศลธรรมที่เราทำได้ทําได้เราเดินตามมรรคได้ตลอดเลยในงานที่เราทำอันนี้จะเป็นข้อที่ดีๆมากๆคือปรับทัศนคติแล้วก็ใส่พรหมวิหารสีลงไปใช่เป็นต้นอย่างนี้นะมีมีกุณลธรรมหลายๆอย่างเราใส่เข้าไปได้ ใช่ความใช่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความสะอาดควา ม, มเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นการตรงต่อเวลาเนี่ยเราใส่ได้หมด hmm. แต่ <Okay. S 1> มันก็จะเป็นการเดินมารกอยู่ในอยู่ในการทำงานของเราด้วย <Okay. S 1> คือคือเราทำงานแล้วเนี่ยแทนที่เราจะได้บาปอ่ะเราเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราทำงานแล้วเราควรจะได้มารกคือได้บุญ <Okay. S 1> ในเรืออยู่ในานมามมรกได้เ น, นี่ยมันจะดี ดิฉันก็เห็นคนทํางานหลายๆคนนะครับบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมทําหน้าไม่ค่อยรับแขกคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เขาตั้งท่าใส่เราะะแต่เขาเป็นแบบนั้นหนะน้าตาไม่ยิ้แซมแย้มแจ่มใสดูเหมือนคนอมทุกข์ไว้ตลอดเวลาซึ่งมีคนแบบนี้เป็นจํานวนมากถ้าตามที่ท่านได้ให้คําแนะนำเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าท่านไม่ต้องหันมามองตัวเองว่าที่เราเป็นเช่นนี้อยู่เนี่ยเราจะปรับตรงไหนได้บ้าง แล้วก็ลองดูต่อไปว่าหลังจากที่เราปรับแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมหน้าที่จะได้พบอะไรดีขึ้นถูกต้องแต่ ค, ตคนเขาเราต้องใส่สิ่งที่มีคุณค่าลงไปในงานที่เราทำต่อให้งานนั้นไม่มีคุณค่าเอาเก็บขยะเอาแต่ถ้าเราใส่สิ่งที่มีคุณค่าลงไปในงานของเราถึงแม้มันจะไม่มีคุณค่าใส่สิ่งที่มีคุณค่าลงไปงานนั้นมีคุณค่าขึ้นมาทันทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแต่ถ้าใส่ลงไป หมดแล้วมันก็ไม่สามารถทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้มีทางออกอีกตื้นไหมคะคือคือตรงนี้ไงว่าถามว่าคุณค่าที่พูดถึงเนี่ยคืออะไระแต่ถ้าคุณค่าเนี่ยเราพูดถึงคุณธรรมที่เป็นไปนในทางพุทธศาสนาเช่นความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะความเมตตาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งมันใส่ไปในงานอะไรก็ได้ไงแต่ทำให้การทํางานของเราตรงนั้นเรเดินตามมักได้โอ้โหดีสไตล์งานนั้นอนะ่ะค่ะอืมคือ บางทีดิฉันว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วบางคนก็น่าเห็นใจนะคะเหมือนกับว่ากลับไปบ้านก็ยังมาทํางานก็นแบบในแห่งหนึ่งก็เกิดไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปลงจากรถโดยทิ้งคนที่ขับรถไปให้เนี่ยอยู่ในรถพร้อมทั้งโทรศัพท์ของดิฉันเองอยู่ในรถด้วย uh huh. ก็เลยไปยืมโทรศัพท์เขาเขาก็เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยเสร็จแล้วมันก็คนไทยนะคะก็คุยกันเขาว่าหยิบยกความทุกข์ของเขาขึ้นมาเลยอ uh ืม huh. <c oughs> ก็หัวไม่ไหวเลยทำงานที่เนี่ยเหนื่อยหนักอะไรสารพัดที่จะบ่นออกมาเ mm. ลยก็มีคนรู้สึกว่าเออเขาน่าเห็นใจนะคือเหมือนกับเงินเดือนน้อย mm. เองินเดือนน้อยแล้วยังทำงานอยู่ในสภาพที่อาจจะได้รับการปฏิบัติต่อแบบความสุขใจก็หาได้ยาก mm. แต่คนนี้ดิฉันชื่นชมอะไรเขารู้ไหมคะคือในการที่เขาจะาให้ความสะดวกเราทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่่างเขาจะต้องมาให้เรายืมโทรศัพท์ เขามีบุคลิกภาพที่นอกเหนือจากเรื่องที่เขาบ่แล้วเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจที่จะช่วยเหลือเดี๋ยฉันก็ดูว่าคนแบบเนี้ยมีความทุกข์อย่างไรก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยย่ำแย่ไปถึงที่สุดเพราะว่าเขามีมุมของเขาที่ที่ทำให้เขาให้ให้ความ สุขสบายใจของคนอื่นซึ่งมันน่าจะกลับมาเป็นของเขาเองด้วยคือคือตรงนี้ก็ยังมีช่องทางออกอยู่ค่ที่เขาจะพ้นจากตรงนั้นมาได้แน่ น, นอนแหละในโลกเนี้ยคุณยมติวมันทุกสุขมันมีปนกันค่แตะนะบางคนมีสุขมากกว่าทุกบางคนมีทุกมากกว่าสุขอันนี้มันธรรมดาในโลกค่ะแต่ไม่ว่าเราจะมีสุขหรือมีทุกอย่างไรถ้าเราสามารถเดินตามมรดได้อันเนี้ยจะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราไปถูกทางค่ะนะเราไปถูกทางนี้มันจะเป็นการดีนะคะ ที่ท่านพยบูลพูดทั้งหมดเนี่ยท่านอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้สิ่งที่วิเศษสุดคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปในการดําเนินชีวิตไม่ว่าท่านจะกําลังคิดว่าท่านดําเนินชีวิตอยู่ในทางโลกไม่เกี่ยวกับธรรมะแต่สองอย่างนี้เป็นเรื่องไปด้ยวยกันได้ใช่ค่ะทีนี้กลับมาทางด้านของผู้ที่ปฏิบัติเมื่อสักครูน่นี้ท่านไยบูลพูดเหมือนกับว่าเป็นในส่วนของพระสงฆ์แต่ดิฉันก็มีความเชื่อมีคนที่พยายามทําตัวเหมือนพระสงฆ์ในชีวิตประจําวันคือ อยู่ในศีลอยู่ในธรรมพยายามปฏิบัติเพื่อละกิเลสคนทุกเลยนนค่ะอันนี้ก็คือว่ายิ่งยวดไปกว่าฟังเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามีบางส่วนที่เนื่องกันคือหมายความว่า<ม>พระพระุทธเจ้าบอกว่าสองส่วนเนี้ยแต่ทั้งส่วนจะเป็นคารวาใช้ความเพียรอย่างมากเนี่ยนะกับทั้งส่วนที่เป็นบรณชิตใช้ความเพียรอย่างมากในการที่จะละกิเลสส่วนคารวาใช้ความเพียรอย่างมากในการที่จะหาปัจจัยสีเนี่ยเป็นความเพียรที่ทําได้ยากในโลก ทั้งสอความเพียรเลยนะถูกตอ้องทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างท <pencil. S 1> ั้งสองอย่างทําได้ยากไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่ที่จะมาบวชเป็นพระอยู่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่คุณจะหาเลี้ยงชีพแล้วมีความมั่นคงขึ้นมาได้ต้องใช้ความเพียรอย่างมากทีนี้แต่ความเพียรชนิดที่เป็นหลักเป็นประธานทั้งสองอย่างเนี่ยความเพียรที่ยอดกว่านะพระบริจาก็พูดถึงความเพียรชนิดที่เพื่อละอุปทานละกิเลสละตัณหาพวกนี้มันยอดกวา่าเพราะอะไรเพราะอะไรใช่เหตุผลในเครือข้ออะไร เพราะว่าถ้าสมุติคุณความทําความเพียรในหาปัจจัยสี่แน่นอนประโยชน์มันมีทีนี้โทษมันก็มาเยอะโทษมันก็มาเยอะบมืองทีมก็มีอคุศลพวกมาด้วยแล้วสามว่าถ้าชาตินี้คุณตายไปเนี่ยไอสิ่งที่คุณหามาเนี่ยมันมันไม่ได้ไปด้วยกันนะเนี่ยถ้าคุณไปเกิดชาติใหม่คุณต้องหาใหม่นะมันไม่จบคในขณะที่ความเพียรอย่างที่สองน่ยก็ใช้ความสามารถเหมือนกันกับอย่างแรกแต่ว่ามันไปกับเราด้วยได้หลังจากที่เราตายไป มันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เราไปด้วยแล้วถ้าสมมุติเราทําได้ดีถึงขนาดหลุดพ้นชาติถ้าคุณไม่ต้องมาทําอีกนะค่ะออหรือคุณจํากัดจํานวนชาติที่คุณจะต้องมาทําแบบนี้ได้ลดลงลดลงเนี่ยมันดีกว่ากันตรงนี้ค่ะแต่การที่จะรู้ว่าทําน้อยเกินไปอยู่หรือเปล่าน ะ, ะก็ดูว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยเป็นไปเพื่อความเกลียดคร้านหรือไม่ใช่และจะรู้ว่ามากไปหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน หรือไม่อืมอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะเอความพอดีเนี่ยคําว่าพอดีดิฉันว่าเป็นคําที่ประเมินยากจริงๆนะคะว่าแค่ไหนจึงจะพอดีถูกต้องประเมินยากประเมินยากแต่นี้ท่านให้หลักในการประเมินแล้วแล้วหลักหลักเกณฑ์เนี้ยใช้ได้กันทุกคนแต่นี้ว่าสมมุติคุณยมตีว่าไปใช้หรือท่านผู้ฟังเอาไปใช้เนี่ยผลออกมามันอาจจะต่างกันค่ะเนี่ยถึงบอกว่ามันต้องใช้วิจรยารณญาณของแต่ละท่านกันน่ะ ค่ ะ, hmm. ะที่ฉันถามความพอดีเรื่องอื่นเลยดีไหมคะ hmm. Hmm. บางคนเนี่ยก็มีความตั้งใจนะเราจะพยายามลดละกิเลสนะเราจะพยายามละความตระนีเอมันก็มีเรื่องของการที่มีเพื่อนซึ่งเดือดร้อนก็มาสแสวงหาความช่วยเหลือแต่เราเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ไม่มีไรายได้ หมายถึงมีแต่เงินสะสม uh huh, uh huh. ก็ไม่ได้มากเกินไปสำหรับการที่คำนวณมันจะต้องใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า uh huh. และเพื่อนคนเนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนที่สนิทอะไรมากมาย uh huh. กับมีมีประวัติของการที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือทั้งเรื่องของการเงินอืมถ้าในทางคำส่งของบุชีเนี่ย ผู้บริจ <Okay. S 1> าก็แนะนําให้มีเมตตานั่นะคือปรเมฆฐารสี่ยังไงต้องมีอยู่แล้วแตเมตตากรุณ า, ราบริตาอุเบกายังต้องมีทีนี้ถ้า <Okay. S 1> ถ้าในเราพูดถึงเอากุณธรรมคือความเมตตก่อนอันนี้ต้องมีเป็นประจำทีนี้เมตตาเนี่ยก็มีอยู่3ระดับนั่นะคือกายวาจากับใจ <Okay. S 1> นั่นกายวาจาใจ <Okay. S 1> ในในกรณีของคุณยมติวเที่ยวตัวอย่างเนี่ยว่าแหมคนนี้ดูเหมือนแล้วมันมั น, มนเราไม่สามารถช่วยเขาได้อะแต่เราจะส่งเ <Okay. S 1> มตตาไว้ยังไงเพราะว่าเมตตาทางกายเราก็คงจะหยิบยื่นอะไรช่วยเหลือให้เขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะ ทนี้ <Okay. S 1> เราจะสามารถมีเมตตาทางใจได้ไงพอ oh, <okay. S 1> มีเมตตาทางใจได้เราปรารถนาให้เขาพ้นทุกแต่ว่าเราจัดงบประมาณแล้วมันเหลือที่จะให้น้อยนิดเดียวหรือว่าไม่เหลือที่จะให้เลยนะแต่ <Okay. S 1> ว่าเราก็ยังมีเมตตาทางใจได้นะส่วน <Okay. S 1> ทางกายทางวาจาเราก็อุเบกขาไปนะไม่ได้ไปซ้ําเติมเขานะไม่ได้ไปคิดว่าจะให้เขาไม่ดีแต่ก็ก็ช่วยได้เท่านี้ก็อุเบกขาไปอย่างเนี้ยก็ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพื่อจะได้ เป็นตัวอย่างของการที่ให้ท่านทั้งหลายวางจิตเพื่มันทีอยู่ในสังคมเนี่มันก็ลาบากใจใเพราะว่าคนเราบางคนเนี่ยเขาก็ไม่บอกใครหรอกว่าเขามีมากมีน้อยขนาดไหนใช่ไหมค ะ, มม เ, ระเรื่องพวกนี้บางทีเขาก็รู้สึกว่าไปพูดทำไมให้คนเขารู้มันไม่มีความจําเป็นแต่เราก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซ, ซึ่งถ้าบอกว่าเรื่ององบประมาณเราแบ่งจ่ายแบบที่พระเจ้าสอนในสี่อย่างแล้วใช่ไหม ส่วนที่เราจะอนุเคราะห์คนเราแบ่งจ่ายไว้แต่ว่ามันหมดแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันหมดแล้วก็คือจบเราก็อุเบกขาเอาเราก็คงจะต้องมีเมตตาทางใจแท น, นค่ะ น, นะคะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเพบุญสำหรับทุกๆ ก, การให้ธรรมะพวกเร า, เ<อ>าจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สมกับการที่เกิดมาแล้วก็ได้รู้จักธรรมะของพระศาสดากราบนมัสการขอบพระคุณ ท่านเพรีบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะบันวันวกกรนคัะ ท, ทัะะนวันวันวันวันวันวัน่ันวันวันวนวันวันวันวันวันวันวันวันวันเัินเป็นวันวันวันวันวันวันนวันวันวันนวันวันวันนวังวัน่ันววันวันวันววนวันวนวันนนวนวคนวันนวันวนวานวันวันวันวันวันวันวันวัวันวันวันวาาัวันวันวันัวันวั ติดตามรับฟังรายการสันนิษฐานาดำเนินรายการโดยสัสนิษฐานาพงศ์กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์พบกับดิฉันที่จะมากราบเรียนถามคําถามพระอาจารย์เผยบูลแต่ในส่วนวันจันทร์กับวันวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยนะคะท่านเผยบูลก็ได้ให้ธรรมะกับพวกเราลําพังของท่านเองอยู่แล้วพบกันใหม่นะคะพุ้ทวัดสวัสดีค่ะ